สิกขาบทที่6เรื่องพระฉัพพคีหกสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสูจชฉับพรคีนั่งโครงกายในละแวกบ้านพระบัญญัติ6พึงทำความเสนียกว่าเราจะไม่นั่งโครงกายในละแวกบ้านเรื่องพระฉับพคีจบสิกขาบทวิพัง ภิกษุไม่พึงนั่งโครงกายพึงนั่งประคองกายในระแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งโครงกายในระแวกบ้านต้องอบัตทุกกดอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. ภิกษุไม่จงใจ 2. ภิกษุไม่มีสติ 3. ภิกษุผู้ไม่รู้ 4. ภิกษุผู้เป็นไข้ 5. ภิกษุอยู่ในที่พัก6ภิกษุมีเหตุขัดข้อง7ภิกษุวิกลจริต8ภิกษุต้นบัญญัติสิขาบทที่6จบ